หนึ่งร้อยแปดสิบพุทธมีสติเป็นอธิปไตยมีปัญญาเป็นอุตระซึ่งแตกต่างจากแบบที่ไม่ใช่พุทธที่หนีโลกจึงหมดสิทธิ์ที่จะรู้จกักรู้แจ้งรู้จริงโลกในมิติต่างๆแถมไม่ได้เรียนรู้ความเป็นอัตตา ซึ่งคนผู้อาวิชายังมีอัตตากันอยู่ทั้งนั้นแต่แบบพุทยังอยู่กับสิ่งเหล่านั้นยังสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ไม่ใช่ว่าจะพลากจากโลกีทิ้งคว้างลาบยศสันเสริญสุขไปไกลไม่แลไม่แตะกันเลย พูดเรียนรู้และฝึกตนให้มีสติเป็นอำนาจคืออธิปไตยอยู่กับโลกเรียนรู้อำนาจโลกโลกาธิปไตยอยู่กับอัตตาเรียนรู้อำนาจอัตตาอัตตาทิปไตยจนเป็นผู้ทรงอำนาจแข็งแรงเที่ยงตรงซื่อสัตย์ช่วยเหลือเกื้อกูลเสียสละดีงามธรรมมาธิปไตย มีอํานาจคืออาธิปไตยเป็นกลางคืออยู่กับโลกอยู่กับอัตาไม่ดูดโลกไม่ดูดอัตาไม่ผลักโลกไม่ผลักอัตาแต่มีอํานาจคืออาธิปไตยแข็งแรงกว่าโลกกว่าอัตาช่วยโลกช่วยอาตาด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรมด้วยปัญญาที่สามารถเพราะพลังปัญญาเป็นอุตระคือเป็นความรู้ที่ดีกว่ายิ่งกว่าเป็นธรรมกว่าแข็งแรงกว่าเหนือกว่าด้วยปราการต่างๆจึงเป็นการอยู่เหนือที่ประเสริฐเป็นประโยชน์คุณค่าแก่โลกแก่สังคม ไม่ใช่อยู่เหนือชนิดที่เบ่งข่มเอาเปรียบกดขี่ทำร้ายให้โทษอยู่เหนืออุตระไม่ใช่หนีแต่มีคุณค่าด้วยประการชนีซึ่งทิฐิหรือลัทธิเหล่าอื่นไม่สามารถรู้จกักรู้แจ้งรู้จริงในปรมัธธรรมไม่มีการทำใจในใจได้อย่างถ่องแท้ โยนิโสมณสิการจนกระทั่งเส้นอวิชานุสัยสำเร็จถึงขั้นนิจจังทุวางอาวิปรินามธรรมังอสังหิรังอสังกุ ป, ปงังเหมือนแบบพุทธหลอกทิฏฐิหรือลัทธิเหล่านั้นยังเวียนกลับแน่นอนแม้ชาตินี้ เขาจะดูเหมือนเขาละทิ้งได้เป็นรูปธรรมที่เห็นเด่นชัดโจ่งแ จ, งจ้งจริงจริงยิ่งกว่าแบบพุทธปานนั้นก็เถอะชาติใดชาติหนึ่งต่อไปเขาก็จะเวียนกลับแน่เขายังเป็นเชื้อเทวนิยมและไม่เป็นโรคกุตรธรรมอยู่ดีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มสิบ ข้อ138ว่าทิฏฐิหรือลัทธิที่ไม่มีอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ไม่มีสมณะที่หนึ่งที่สองที่สที่สหรือไม่มีโพธิปักเคียธรรม37ก็ไม่มีโรกุตรธรรม37พระไตรปิฎกเล่ม31ข้อ620สิ ทางก็เป็นทิศทิหรือลัทธิที่มีการปฏิบัติที่ไร้ความจริงจมอยู่กับฝันจึงไม่พ้นมิจฉาทิฐิทั้ง62ไปได้ทั้งนั้น